ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฝังเทลาไรแต่ลงประพุทยญาณกาลังนำเสนอสัมมาวาจาซึ่งเป็นอริยมรรคในข้อที่สามแต่ว่าอยู่ในส่วนของศีลและศิกขาคือเป็นส่วนที่ว่าเป็นศีลเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคม ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องสื่อสารกันด้วยวาจาวันจึงนำนัยยะจากพธธระพุทธปฏรบัตบ้างเทราภาษิตบ้างโบราณบัณดิตภาษิตบ้างมานำเสนอในวาระแตกต่างกันออกไปเป็นบ้างเมื่อก่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ย เรื่องมุจีที่เรียกว่าสุจริตหรือเป็นสัมมาวจาร์มันก็คือต้องเป็นเรื่องที่จริงเรื่องส่งเสริมสมคัครีรปสารสมรคัครีกระยับกระชาารับสมัครีแล้วคำที่ไปเลาะอ่อนหวานแล้วก็มีสารประโยชน์ซึ่งก็มีรายละเอียด ที่จะกล่าวในโอกาสต่ตอไปในที่นี้ก็อยากจะนาไปศึกษาถึงนิยตต่างๆที่พรูเจ้าส่งแสดงไว้บ้างนะครับพระโพธิสัตว์ได้แสดงไว้บ้างพระเทระทั้งหลายได้แสดงไว้บ้างก็ถือว่าเป็นนิยต์หนึ่งนยตหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นก็มีจุดประจบในที่เดียวกันก็คือเป็นสมาวาจาร เห็นได้ว่าการสื่อสารการแสดงการอธิบายบางครั้งก็ไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆทต่แมข้อความอาจจะแตกต่างกันในด้านพยัญชนะแต่ว่าจะเหมือนกันในเนื้อหาเกี่ยวมายความมันจะออกมาในรูปของวจีสุตริตดังกล่าวพิ่เจ้าได้ทรงแสดงไว้ในกุตการนิกายแระธรรมบด ก็เป็นการแสดงระดับค่อนข้างประณีตหน่อยนะว่าผู้ใดพึงกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใครๆขัดใจไม่อยากคายเป็นเครื่องให้รู้ความได้และเป็นคำจริงเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามในยอแห่งประพุทธบาัข้อนี้เป็นการแสดงถึงลักษณะของวญญาจาโดยเฉพาะคือคนที่เราพูดด้วยหรือพูดถึง มีกุศละเจตนามีมิตรไมตรี ry, ขอรบนับถือเมตตากรุณาเอ็นดูก็แล้วแต่นะฮะคือพูดง่ายๆว่าเป็นความรู้สึกดีตัวคนที่เราพูดด้วยเพราะวาจาที่พูดออกไปก็ไม่ทำให้เขาขัดใจแม้ในบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นคำดุดา่ตาตำหนิทุ้งติงห้ามปรามตักเตือนแต่ว่าคนฟังก็เข้าใจว่า เป็นกุศลและเจตนาคือเป็นความหวังดีของผู้พูดเขาก็พร้อมที่จะยอมรับฟังโอวาทในลักษณะ น, นั้นโดยความเคารพแล้วเมื่อเขาปฏิบัติตามคําบอกกล่าวที่แนะเหล่านั้นก็จะได้รับประโยชน์เพราะนั้นข้อความเหล่านั้นจึงต้องไม่หยาบคายนะแต่แต่อย่างที่บอกว่าเรื่องคําหยาบคายเนี่ยมันพูดยาก จะมองไปที่ใจมันหยาบมันไม่ใช่ตัวคําหยาบเสมอไปเพราะว่ามันยังเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าคนบางคนนั้นท่านมีวาสนามาอย่างนั้นท่านพูดเพราะไม่เป็นพูดเล่นไม่มีก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงท่านเป็นบริหารแล้วท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านก็พูดกับท่านอย่างนั้นแต่ไม่มีอกุศลและเจตนาไม่ได้มุ่งประทุษร้ายไม่ได้มุ่งทํำลายใคร ผลวาจาเหล่านั้นท่านก็ไม่ถือว่าวาจาหยาบซึ่งหลักการเหล่านี้ตัญญายทิบายไว้ในคําว่างดเว้นจากคําหยาบเรียกว่าพระรูสวาจาคือวาจาหยาบโดยท่านเล่าเป็นนิทานเทียบเคียงให้ฟังว่าแม่ได้กล่าวกับลูกชายซึ่งบ้านอยู่ในป่าลูกชายต้องการจะไปเที่ยวแม่ก็ห้ามปราบไม่ให้ไป ลูกชายก็ยังดื้อจะไปแม่ก็เห็นว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเลยก็ขู่บอกว่าเออไปจีให้ควายป่ามันขิดให้ตายเะยเลยก็ปรากฏ ว, ว่าลูกชายเดินไปไม่เจอควายป่าก็จริงๆก็ลเลยก็ยืนอธิษฐานใจเลยว่าถ้าแม่พูดคำพูดนั้นด้วยใจในฐานะที่เป็นลูกดื้อดึง แม่ทำไม่ฟังก็ขอควายป่าคิดไปเถอะแตถ้าแม่พูดด้วยปากเจตนาของแม่จริงๆไม่ต้องการให้ควายคิดอย่างนั้นเราเราขอให้แก่รอดปลอดภัยปรากฏว่าควายยืนดูอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เดินหลีกไปในทางอื่นนั่นก็แสดงเหตุว่าคํามันหยาบแต่ว่าเจตนาไม่หยาบก็บชื่อว่าไม่หยาบ ตัอย่างที่บอกไว้นะะว่าในเรื่องศีลเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่เจตนาถ้าขาดเจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลหรือว่าผิดไม่เต็มที่เนะชน่นเราเดินไปแล้วก็เหยียบสัตว์ตายอย่างเงี้ยเราก็ไม่เจตนาจะเหยียบสัตว์เดีมันเจตนาเดินแตตามปกติแล้วในแต่ละวันที่เราเดินก็ดีขับรถก็ดีเนี่ยไปตามถนนนวลทามันก็เยอะนะ อาจจะมีเยืประสาท ต, ตายก็ได้แต่ว่าเจตนามไม่มีเพราะนั่นก็ไม่ได้ถือว่าขาดสิ่งวาจาที่ทรงแสดงอีกรนยะหนึ่งก็คือเป็นเครื่องให้รู้ความได้มายความสื่อสารและคนฟังก็เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงทีนี้เกณฑ์กาหนดความจริงของวาจาเนี่ยมันไม่ใช่จริงระดับ เรรถธรรมอะไรนะฮะบางครั้งบางคราวบางก็เป็นความจริงตามประสาสัมผัสเพราะระดับศีลนี่เขาไม่ได้เอาสมบูรณ์นะไม่ได้ร้อเปอรเซ็นแต่มาความมาจริงตามประสาสัมผัสเราเห็นมายัางไงเราก็พูดอย่างนั้นได้ทราบได้ยินมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นจจได้ทราบมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้รู้มาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นมันเลยไปเชื่อมโยงกับความคิด ที่เรียกว่าจินต่ ก, กวีบ้างปฏิภาณะกะวีบ้างนะคําพูดแบบกวีบางชีมันก็เกิดจริงไปหน่อยแต่ว่ากวีก็เห็นอย่างนั้นจริงๆเวลาท่านพูดออกไปท่านเขียนออกไปแสดงออกไปก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวิจิตริลป์มันเป็นภาษาที่เกิดขึ้นจากแรงบัดันใจใเราสังเกตว่าแรงพลังศรัทธาก็าดีพลังของความรักก็ดีพลังของความกลัวกว็ดี มันชิมก็พูดเกิดจริงเพราะงั้นวาจาชนนี้ท่านจริงไม่ถือว่าเป็นวจิตุจริต ท, ท, ทีนี้คนถึงสามารถควบคุมวาจาในลักษณะ น, นี้ได้เนี่ยในที่นี้ทรงเรียกคำว่าพรามพรามก็แปลผู้ประเสริฐนะในความหมายนี้ก็หมายระดับผู้ประเสริฐ แล้วอาจจะเป็นคนที่ลอยบาปประธรรมจะได้ก็ละบาปาประทับจะได้คำว่าพราหมณ์ในภาษาพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับว่าไปอยู่ตรงไหนบางทีก็หมายถึงพราหมณ์ทั่วไปเนี่ยฮะคนในวันน้ำพราหมณ์บางทีหมายถึงคนที่ปฏิบัติธรรมะเช่นอย่างเนี้ยกล่าวว่าจีสุดจริตอย่างนี้มีเกณฑ์ว่าวาจาที่กล่าวนั้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครใค แล้วก็เป็นคําที่ไม่หยาบคายสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้แล้วก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงองค์ประกอบก็สี่อย่างคือหนึ่งเป็นคําที่ไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนและเป็นคําที่ไม่หยาบคาย มีความชัดเจนกระจา่างเข้าใจได้แล้วก็เป็นคำจริงคือไม่โกหกก็ถือว่าใช้ได้ก็เป็นวจีสุจริตแเะลองสังเกตเอาครา ท, ทั้งหมดที่จริงมันก็อยู่ในวจีสุดจริตสี่นั่นแหละแต่ว่าเป็นปริยายคือนัย่หนึ่งนัย่าหนึ่งที่ทรงสแสดงแก่บุคคลซึ่งแตกต่างกันในขุตกาศมิกายสุตตานิบาต ก็ทรงแสดงว่าผู้ใดไม่โกรธไม่สะดุง้งไม่อ้อวดไม่รำคาญพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นมุนีมีวาจาสมบรมแล้วลเราเห็นว่าตรงนี้เป็นการพูดถึงสภาพในด้านจิตใจแล้วก็เปล่งออกมาทางวาจาแล้วก็แสดงอาการออกมาทางกาย หมายความว่าใครก็ตามที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้โดยการมันน่าจะโกรธแต่ไม่โกรธเพราะในการไม่โกรธนี่โอกาสจะพูดคำหยาบนี่พูดยากยนะฮะแล้วก็อาจจะถูกค่มขูคุก ค, ค, คามโดยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่สะดุ้งไม่สเสือนไม่หวั่นไหวเป็นการสื่อสารทำความเป็นจริงคือไม่โอว้วด ในเรื่องของการโอ้อวดวังก่อนเนี่ยมีอาจารย์จากหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็อธิบายเรื่องการฝึกจิตเรื่องพลังจิตเรื่องจิตตาโนภาพอะไรนี่นะกระรองแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรไมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของจิตที่ฝึก ด, ดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปรากฏว่าพวกอยอยถือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงฟ้องร้องแจ้งความไปตำรวจจับแล้วตลกดีงนเงี้ยน่ะ คืออำนาจของรัฐเนี่ยคนของรัฐเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเกินกรอบที่เรามีความสามารถก็ล้ๆกับสอสอนะฮะสํานักปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเขาตั้งให้ทําหน้าที่ปฏิรูปการศึกษาซึ่งมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งวิจิตพิสดานมากอยู่แล้วนะ ก็มาปฏิรูปาศาสนาซึ่งเป็นาศาสตร์อีกาศาสตร์หนึ่งแล้วมาปฏิรูปศิลปะซึ่งเป็นอีกาศาสตร์หนึ่งซึ่งมาปฏิรูปฏิรูปวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกาศาสตร์หนึ่งได้ายกันใหญ่เลยคือเก่งในสารพัดเลยมีดอตอร์คนหนึ่งก็ถามว่าผมไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้คิดว่าตัวเองเป็นอะไรทำไมจึงกล้าหาญชาญชัยไปปฏิรูปได้ทั้งสี่เรื่องเรียนมาจากไหนรู้มาจากไหนเก่งกาจสามารถมาจากไหนจึง ไปปฏิรูปได้ขนาดนั้นนะาศาสนานี่เ็าีอายุเป็นพันพันปีนยศิลปะนี่เาก็มาเป็นพันปีวัตถธรรมก็มาเป็นพันปีเราเรียนมากี่วันจบอะไรมามีความรู้รขนาดไหนจึงไปลงมือปฏิรูปเรื่องขนาดนี้อันนี้ก็คือคือคนบางทีคนของรัฐเนี่ยนะเวลาได้อำ น, นาจแล้วเนี่ยไม่เหลงอำอ น, นาน เคยใช้อำนาจจนไม่รู้ว่าคือการที่เราชี้ผิดคนอื่นได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าถูกอย่างไงเราปฏิเสธว่าไม่มีเนี่ยเราต้องรู้ว่ามีอย่างไรด้วยมันไม่ได้ใช้อำนาจเอาแล้วก็ที่จริงมันเป็นเสรีภาพทางวิชาการในด้านวิชาการนั้นเราจะเห็นว่าวิชาการบางอย่างเนี่ยมันก็ยากต่อการจะพิสูจน์อ่ะถ้าคนไม่ศึกษามา ก, ก็พิสูจน์ไม่ได้ แกก็เป็นวิชาการที่มีการศึกษามีการพิสูจน์ตวจสอบแล้วดูที่เขาอธิบายมันก็ไม่เห็นเรื่องมันมิจิตพิจารณาอะไรลี้ลับอะไรเมื่เรื่องธรรมดาธรรมดาทัว่วไปเนี่ยนะแม้แต่พวกก็เรียกว่าอะไรละ่ะพวกเวทมนตร์คาถาเนี่ยก็ยังทําได้นะขนาดเวทมนตร์คาถาเนี่ยก็ยังทําได้เรื่องขนาดนั้นนะแต่ว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่า จิตที่แปร น, นาจากที่เรนลับป่าสจจัน์ก็สามารถฝึกคนไม่เป็นพระราหันได้นะสามารถฝึกศาสตร์ให้เชื่อได้สามารถที่จะนอนบนตัวเสือได้นะฮะตัวเสือนอนจะไปนอนบนเสือได้โดยเสือไม่กัด น, นั่นก็คือจิ ต, ตานุภาพมันเป็นเรื่องของจิตที่ฝึกมาดีพอจิตที่ฝึกมาดีบวบคุมจิตได้นะควคุมจิตได้ก็ไม่สะดุ้งเวลาจะพูดเขาก็พูดตามความเป็นจริงคือไม่โอ้อวด เพียงแต่ว่าถ้าเป็นพลาเนี่ยมันมีวินัยบัญญัติเอาไว้แม้ทําได้เนี่ยก็ห้ามพูดอะไรเพราะว่าเวลาพูดไปแล้วเนี่ยคนเขาหาว่าเท็จเท็จก็ด่าด่าก็บาปเปล่ า, าแล้วมไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นเป็นคุณสมบัติที่ทําได้เฉพาะตัวคล้ายๆการนกบินได้เนี่ยเราจะเชื่อว่าเชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยไม่รู้มันก็บินได้เข้ามานะี แต่เราไม่เคยเห็นนกคนที่ไม่เคยเห็นนกก็ไม่เชื่อว่ามีสัตว์บินได้แต่ที่จริงมันก็คือบินได้ของมันมันไม่อยู่ที่ใครเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นศาสตร์มันเป็นธรรมชาติมันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นกฎ ท, ที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วนะฮะเพราะในแวทบงของการฝึกจิตเนี่ยเป็นศาสตร์อีศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะเลยแต่คนจะต้องศึกษาบันนาน ต้องผ่านการฝึกปลืออบรมกันมาแล้วก็ฝึกจิตได้ดีแม่เรื่องที่น่าราคาญทั้นก็ไม่ราคาญนั่นก็แสดงว่าอนุภาพจิตที่มันฝึกมันดีนี่ทำให้ไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องต่างๆกำลังทำงานอยู่มีคนส่วงเสียงดังมีสุนัข ก, กัดกันมีหมาเ ห, ห่าหอนอะไรอะไรเนี่ยก็เฉยๆนั่นก็คือจริงก็จิตที่มันฝึกมาดี่ย มนไม่ฝึกจิตมามันก็ลงไปทะเลาะกับสุนทขเกี่ยวข้างบ้านแต่ถ้าคนไม่ฝึกจิตมาเนี่ยเขาก็ปรุงใจได้ังเรื่องสุนัรเขก็เป็นอย่างนั้นธรรมาดาของเขาพอเขาไปเวลาจะพูดจาอะไรเนี่ยเขาพู ด, ดโดยด้วยผลโดยสติปัญญาหมายความว่าพูดเรื่องอะไรพูดกับใครพูดเรื่องอะไรพูดไปพูดอย่างไรพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจโดยวิธีใด และที่สาคัญอย่างยิ่งคือเขาจะรับประโยชน์อย่างไรจากการพูดในลักษณะนั้นเหรือ น, นะนการใช้ปัญญาในการสื่อสารจะเรื่องอะไรก็ตามนะฮะนั่นเป็นหลักการประการหนึ่งของพุทธซึ่งถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าต้องไม่พุ่งท่านนะเพราะปัญญาวิิจัยแต่สิลสนลักษณะอารมณ์ของตัวเองก็กลายเป็นกดไม่พุ่งสารไม่พุ่งส า, านก็สงบ ใจก็สงบสงบต้องก็ออกมาทางกายสงบวัจจาสงบมุณีนั้นเราแปลว่าผู้สมรวมแต่ในที่นี้เน้นแต่เดี่ยวเน้นที่สมรวมปัจจัเพราะอะไรเพราะท่า น, นามรวมเข้าถึงใจของท่านเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วก็สังเกตได้กับอาการกายอยาการปาัจจัส่วนใจนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านแต่เมือไจิตตานุภาพจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคนนั้นมันไม่มีใครที่จะไปพิสูจน์ทดสอบว่าท่านมีหรือไม่มีได้ แล้วแต่ว่าตัวอย่างของบุคคลเนี่ยคนที่ฝึกจิตมาอย่างดีนะเช่นสมมติว่าประเรศวนมาราชประชดหน้าทำการคาสึกอยู่คาสึกอยู่กหน่าเป็นแสนลงเข้าไปรืยช้างเพียงสองเชือกแล้วก็คนก็ไม่ถึงสิบคนนะนะก็เรียกว่าสิบกว่าคนกันแล้วกันนะฮะข้างล่างแปดข้างบนก็เราหนะกก็สิบสี่สิบ้ากทั้งช้าง อยู่งตรงแรกตรงนั้นเนีแต่ว่าพระไทยเนี่ยมีความกล้าหาญไม่สะดุ้งไม่หวั่นหวันไม่พลันเพลึงที่สถานการอยากเป็นรองทั้งร้อยเปเซ็น์ให้กลายเป็นต่อได้แล้วก็เอาชนะประมาทประราชได้ก็ถามว่าคนที่จิตปกติเนี่ยทําได้เปล่จิตที่ไม่ได้ฝึกปรือมันทําอย่างนั้นได้ไหมมันก็ทําไม่ได้มันต้องอาศัยคนที่ฝึกปรือมาคนทั่วไปมันก็ตกใจ วิ่งหนีข้าศึกบางง้นทั้งหมดเนี่ยจริงมันไปเชื่อมโยงกับใจเชื่อมโยงกับเจต น, หนาหรือความจงใจของบุคคลเหล่านั้นในข้อต่อไปนะพระโพธิสัตว์กันแสดงไว้ว่าคนเขาย่อมไม่กล่าวในเรื่องใดไม่ถูกผูกก็ติดในเรื่องนั้น ผู้มีปีชาย่อมกล่าวในเรื่องใดแม้ถูกผูกก็หลุดไปจากเรื่องเหานั้นหมายความว่าคนเราเนี่ยบางครั้งบางคราวแม้เราจะไม่ไปไปผูกพันกับอะไรแต่พอดีมันพูดไม่เป็นเนี่ยพูดไม่เป็นก็กลายเป็นผูกพันเพราะอะไรเพราะไม่ฉทาดกัถ้าเล่าถึง พรามท่านหนึ่งเป็นพ่อของสมทัตปุโรหิตเด๋ยวตัานไปต้องการจะจะไปขอโคจาก ร, ราชาเพราะว่าโคที่ท่านไผนามันตายไปตัวหนึ่งแต่ก็ต้องการได้โคที่สองลูกชายก็แนะนำวิธีพูดกราบทูลราชา เป็ในใจความว่าข่าพระองค์ไถานาด้วยโคสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งตายไปแล้วนะขอสมมัติเทพเนี่ยได้โปรดประทานโคตัวที่สองแก่าพระองค์อาศัยที่ท่านพูดไม่เป็นนี่ยเราเกิดตื่นเด้นกันก็บอกว่าข่าพระองค์ไถานาด้วยโคสองตัวแต่ว่าโคตัวหนึ่งมันตายไป ขอพระองค์ได้โปรดรับโ อ, อโคตัวที่สองไปด้วยเกิดแต่ที่จะไปขอโคเขาเนี่ยก็กลับไปบอกให้ขู่เขาพระราชาก็รู้นะฮะว่าพรามกล่าวพลาดก็รับสั่งถามปุโรหิตว่าเป็นไงที่บ้านนี้มีโคเยอะอะท่านก็บอกว่าโคที่พระองค์พระราชทานไปก็มีเยอะ ประชาชาก็ชอบใจเลยประราชท า, านโคให้มากกว่าที่ขอเพราะการสื่อสารการพูดเนี่ยคือบางทีมันลิ้นพันคอตัวเองจึงจำเป็นจะต้องระมัดระวังแล้วก็มีปัญญาว so ิเคราะห์ตรวสอบบเรื่องบางเรื่องทําให้ชัดเจนเนี่ยเร่องที่บอกว่าพูดไปสองไปเบีย้ยนยิ่งเสียแต่มึงทองเนี่ยเป็นหลักการที่โบราณท่านแน่เอาไว้ พอเรื่องมันเรื่องมันถูกมันตัวเองอย่าลืมตั้งกาวไว้ว่าก่อนจะพูด่เราเป็นนายของคำพูดแต่เราจะพูดหรือไม่พูดก็ได้แต่เมื่อพูดไปแล้วมันถูกมันตัวเองคำพูดนั่นก็จะเป็นนายของเราดังนั้นคนที่จะพูดเรื่องอะไรที่จะสื่อสารหนึ่งไรเนี่ยจิงจะต้องอาศัยความสลาดแต่ถ้าเป็นคนเขา เวลากล่าวเรื่องอะไรเนี่ยแม่จะไม่ปลูกมัดตัวเองมาก่อนแต่ว่าพอพูดไปเลยปลูกมัดตัวเองเลยบางทีรับรับหรือปฏิเสธเนี่ ย, อ า, ยอาจจะปลูกมัดได้นะะแม่แต่รับคําเดียวครับหรือว่าไม่เนี่ยใช่หรือไม่ใช่เนี่ยที่มันก็ปฏิมัอปลูกปลูกมัดตัวเองได้ซึ่งจําเป็นจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาสอดสองมองหเห็นคุณมองหเห็นโทษของการพูด เรื่องมันเรื่องก็นิ่งสิบ้าอย่างที่ท่านสอนไว้เป็นรูปของของลิงสามตัวที่ว่าปิดปากปิดหูปิดตานะฮะคือบางทีมันก็ต้องปิดแต่บ้างสังเขียนอธิบายไว้ข้างล่างว่าปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้ว่าใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางครับ น่นก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าพูดไปแล้วมันเสียเรื่องหรือว่าเกิดเรื่องหรือไม่ไม่ได้เรื่องเนี่ยมันก็หยุดพูดฟังไปไม่ได้ประโยชน์อะไรฟังไปได้จิตใจไม่สบายเรื่องบางเรื่องมันนอกวิสัยสุดทางที่จะแก้ไขเราก็ไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นคือไม่ดูสับ้างไม่ฟังสับ้างไม่พูดสับ้าง เป็นวิธีการสำรวมวาจามันไม่ได้หมายความว่าห้ามพูดหรือว่าพูดไ้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดแต่ควรพูดมากน้อยแค่ไหนเป็นไใดมันก็มองที่ประโยชน์จากการไม่พูดหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพูดใหเป็นประการสำคัญแต่พูดไปแล้วเกิดประโยชน์มันก็พูดแต่พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็งดเว้นไม่พูด เราเรื่องประโยชน์ในจะเป็นเกณฑ์กําหนดหรือตลอดในเรื่องของการใช้วาจาหรือแม้แต่การทําอย่างอื่นก็เหมือนกันท่านฟังท้งหลายแต่หลวงพ่ิยานในวันนี้ขอยุติไว้ที่เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมอหกามไปบุญในธรรมจะมมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี